ความอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นเป็นรากฐานของอุปาทานความอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นจัดเป็นกับดักทางจิตชนิดหนึ่งดูดความคิดดูดเวลาดูดพลังความสามารถในการคาดเดาเอามาทิ้งลงเหวแห่งความว่างเปล่าทุกครั้งที่อยากรู้อยากเห็นโดยมีการคาดหมายไว้ล่วงหน้าว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้คือการค่อยๆสะสมความเชื่อและยึดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องไม่น่าเป็นอย่างนี้ตามอารมณ์ตนรวมทั้งอยากให้คนอื่นคล้อยตามความเชื่อตนยิ่งกว่าอยากให้เขารับรู้ความจริงยิ่งขึ้นทุกทีลักษณะอาการคาดดาวเองยึดมั่นเองเป็นรากฐานของอุปาทานอยากเห็นอะไรๆตามที่ตัวเองเชื่อ มากกว่าปรารถนาจะรู้อะไรอะไรตามที่เป็นจริงเป็นอาการฟุ้งซ่านมากกว่ามีสติเรื่องของชาวบ้านเรื่องขัดใจหยุมหยิมเรื่องน่าเสียดายในอนาคตเรื่องน่ากลุ้มใจในอนาคตแบบที่ไม่รู้ก็ได้ไม่คิดก็ดีเราไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่มีสิทธิ์ทำให้อะไรอะไรแย่ลงอย่างเช่น ลายเป็นคนไม่ถนัดคิดเรื่องมีสาระหรือคิดอะไรดีๆในทางที่เป็นกุศลไม่ค่อยไหวควรเรียกว่าเรื่องรกหัวเพื่อจะได้ตั้งข้อสังเกตว่าวันๆเราเอาเรื่องรกเข้าหัวมากน้อยเพียงใดกับทั้งได้ข้อสรุปว่าตอนนี้หัวเราเต็มไปด้วยความรกเหมือนห้องรกที่เก็บกวาดได้ยากเย็นขนาดไหนแล้ว ถ้าอยากรู้เรื่องคนอื่นมากๆในที่สุดได้รู้เรื่องของคนอื่นมากเพียงไม่นานจะมีรู้เรื่องใจตัวเองเลยว่าอัดแน่นด้วยกองอากุศลธรรมไปถึงไหนแล้วแต่ถ้าไม่อยากรู้แต่มีเรื่องลับโคโจรมาให้รู้เองแล้วใจไม่หมกมุน่นไม่วนเวียนคิดอยากพูดถึงในระยะยาวจะรู้สึกปลอดโปร่งเป็นปกติอยู่ได้ ผู้เหมาะผู้ควรที่จะฝึกสมาธิจริงต้องมีนิสัยไม่ชอบเอาเรื่องรกเข้าหัวไม่ชอบคุยไม่ชอบคิดเกี่ยวกับเรื่องรกหัวให้ได้ก่อนรอบพิจารณาแล้วเห็นโทษแล้วรู้ชัดแล้วว่าคิดที่ไรคุยเมื่อไรจะเหมือนฝุ่นฟุ้งขึ้นมาเต็มหัวเป็นไปเพื่อความสูญเปล่าเป็นไปเพื่อความสงบตั้งมั่นได้ยากเย็น เป็นไปเพื่อการทำสมาธิไม่ถูกตั้งแต่ต้นเมื่อเห็นโทษอยู่เห็นอาการเสพติดความฟุ้งซ่านเรื่องชาวบ้านอยู่คุณจะรู้สึกถึงอาการถอยหลังออกมาวัละนิดความคิดอ่านจะเหมือนติดอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นและนั่นเองคือการเริ่มเข้าทางพุทธแบบที่จิตเตรียมเบงบานเป็นพุทธแท้ได้